ตอนที่สิบวักที่หปัญหาที่หนึ่งถามถึงความรักร่างกายแห่งบรรพชิตพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเษน ร, ร่างกายเป็นที่รักของบรรพชิตทั้งหลายหรือพระเทระตอบว่าขอถวายพระพรร่างกายไม่ได้เป็นที่รักของบรรพชิตทั้งหลายข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ถ้าอย่างนั้นทำไมบรรพชิตจึงยังอาบน้ำชาระกายถือว่ากายของเราอยู่ขอถวายพระพรผู้เข้าสู่สงครามเคยถูกบาดเจ็บบ้างหรือไม่อ้อเคยสิพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรแผลที่ถูกอาวุธนั้นฉาบทาด้วยเครื่องฉาบทาทาด้วยน้ามันพันด้วยเนื้อผ้าละเอียดแลหลือ ถูกแล้วพาะผู้เป็นเจ้าต้องทำอย่างนั้นขอถวายพระพรบาดแผลนั้นเป็นที่รักของผู้นั้นหรือไม่ได้เป็นที่รักของผู้นั้นเลยแต่ว่าเขาทำอย่างนั้นเพื่อให้เนื้อตรงนั้นงอกขึ้นเป็นปกติข้อนี้ก็ฉันนั้นแดะมหาปิฏร่างกายไม่ได้เป็นที่รักของบรรพชิตทั้งหลาย แต่บรรพชิตทั้งหลายรักษาร่างกายนิไว้เพื่ออนุเคราะห์พรมจันทร์อันว่าร่างกายนี้เปรียบเหมือนกับแผลบรรพชิตรักษาร่างกายนิไว้เหมือนกับบุคคลรักษาแผลข้อนี้สมกับที่สมเด็จพระทศพลตรัสไว้ว่ากายนี้มีวารเก้าเป็นแผลใหญ่อันหนังสดปกปิดไว้ คายของโศโรครกออกโดยรอบไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นถูกแล้วเพระผู้เป็นเจ้าอธิบายคำว่าทวารเก้าได้แก่วงเล็บเปิดตาสองหูสองจมูกสองปากหนึ่งทวารหนักหนึ่งทวารเบาหนึ่งวงเล็บปิด